วชีิตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ําน้อมนําสาพระราชาด้านการบริหารจัดการน้ําวางแผนสร้างแหล่งน้ําต้นทุนที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ช่วงหน้าแล้งประกอบกับช่วงฤดูน้ําหลากแหล่งน้ํานั้นจะทําหน้าที่กักเก็บน้ำชะลอการล้นเอ่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําต้น เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้านบ้านสร้างช้างหมู่เจ็ดตำบลห น, นองเหล่าอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตั้งแต่ปี2557เพิ่มพื้นที่กักเก็บความจุน้ำ 55,488 ลูกบาศก์เมตรรวมปริมาณน้ำกักเก็บ 1,120,000 ลูกบาศก์เมตรกรมทรัพยากรน้าได้มีนโยบายที่จะต่อยอดแหล่งน้า ที่ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งน้ําไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นําน้ําไปใช้ในการเพราะปลูกพืชไร่พืชสวนพืชผักสวนครัวเน้นการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ําน้อยสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้แผงโซลาเซลล์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์เครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูงและกระจายน้ําผ่านท่อเมน